ความหมายของเงินเงินคือสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการตัวอย่างใช้ซื้อสินค้าจ่ายค่าอาหารชำระค่าบริการต่างๆเช่นรับบริการรักษาพยาบาล